พอเห็นอารมณ์ที่ที่ตัวเองเห็นแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมก็รับอันนี้เป็นอิทธารมนะถ้าไปผัสสะกับสีที่ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะก็เป็นทุกข์หมันสัญญานี้ก็เป็นรู ป, ปรสัญญาแบบอ น, นิถารมณ์ น, น, นถ้าไปเจอสีทั่วๆไปปานกลาง อุเบกขาเวทนาสัญญานั้นเป็นมัชฌ ต, ตารมเป็นอารมณ์ทั่วทั่วไ ป, ปกลางๆภาษาอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนาหลังจากนั้นนานแค่ใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องขณะนั้นตอนเดียวหลังจากนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นภาษาอันนี้ว่างๆเราก็มาคิดถึงอิทธารมเนี่ยนะเพราะภาษาตัวนั้นแหละเป็นปัจจัย เหมือนกับที่เราพูดแบบไทยๆว่าเพราะเห็นนั่นแหละจึงเก็บมาคิดน ะ, นะเพราะเห็นนั่นแหละจึงเก็บมาจำน ะ, นะถ้าไม่เห็นสะ ก, ก็ดีเนี่ยนะก็ลักษณะแบบนี้ทนถือว่าภาษานี้สสำคัญที่สุดไอการประชุมของตาสีจักคูวิญญาณภาษาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาแล้วก็จำหมายในอารมณ์ทั้งอิทธารมณิฐารมณ์ทีนี้พอสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะ มันเป็นชาวนะแล้วทุกทั้งทั่วไปเนี่ยนะทั้งเวทนาสัญญาทั้งหลายเนี่ยถ้าเน้นไปที่ชาวนะก่อนนะนะสมมติว่าเจ็ดวงนะชาวนะก็เกิดขึ้นพอชาวนะเกิดขึ้นเนี่ยนะมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมเจตนาเจตนาเจตนาก็เกิดร่วมด้วยหมดเลย ถ้าเจตนาถ้ารูปที่หน้าปรารถนานะเจตนามันบอกว่าไงานะไม่ใช่ตัณหานะอันนี้ถ้าเราเอาแต่ตัวเจตนามาคิดก่อนนะเจตนามันประสงค์ยังไงกับสิ่งนั้นนะเจตนาอ น, นันต์เนี่ยถ้าทํากายอ่าถ้าไม่ทําวิญญาตเลยเป็นมโนกรรมคิดว่ามโนสันเจตนาที่เป็นมโนกรรมเฉยๆนะไม่ทําวิญญาตนะนิ่งแต่ปกติเนี่ยตัว ตัวเวทนามันเป็นรหัสบอกอยู่แล้วว่ากิเลสตัวใดควรเกิดใช่ไหมถ้าถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาปกตินะโลภะง่ายๆอยู่แล้วเจอของสวยไม่ชอบก็ถือว่าผิดปกติมากเลยในโลกนี้ใช่ไหมเจอฟังเสียงเพราะแล้วไม่ชอบก็ถือว่าผิดปกติเขาจัดอาหารอร่อยมาแล้วก็เฉยๆเนี่ยนะไม่สนใจเลยนะสะบัดหน้าหนีด้วยนี่ก็แสดงว่ า, าค่อนข้างผิดปกติ โบสดก็ไม่ได้รักษาทีนี้พอรับอารมณ์เหล่านั้นนะเจตนาก็เกิดขึ้นนะเขียนให้มันครบเจ็ดดวงพอเจตนาเกิดขึ้นเนี่ยปกติมันเจตนาเหล่านั้นถ้าบวกกับโลภะโลภะนั้นเรียกว่าตันหาเรียกว่ารูปปตัตนหาก็จะเกิดรูปปตัตหาก็จะเกิดขึ้นในทวารหก ทัวในครั้งถ้าทํากายวิญยัตเป็นเท่ากับอะไรกายกรรมถ้าทําวจีวิญยัตเรียกชื่อว่าวาจีกรรมถ้าเป็นนึกใช้เฉยไม่ล่วงวิญยัตเป็นมนโนกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่วมกับตัณหานะตัณหาเนี่ยให้อยู่เป็นมนโนกรรมก็มีตัณหาที่เกิดร่วมกับเจตนาเป็นกายกรรมก็มีเป็น วจีกรรมก็มีในตอนแรกโดยทั่วๆไปน ะ, ะด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมบางอย่างก็ตามเถอะถ้าชอบอะไรบางทีก็ไม่พูดใช่หมถึงจะต้องการยังไงก็ไม่ยอมพูดก่อนพอได้เหตุผลจังหวะเหมาะๆก็วจีวิญญาตก็ล่วงออกมานานเข้ากายวิญญาต์ก็ตามมาเพราะทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็บริบูรณ์ ทีนี้ก็ดูว่ากรรมเหล่านี้นะมันจะมากหรือจะน้อยดูที่วิตกบ่อยไหมล่ะเอามาคิดบ่อยไหมวิตกถึงสีนั้นนะยกจิตขึ้นสีนะวิตกวิตักกะถึงบ่อยไหมคิดถึงบ่อยไหมอันนั้นก็เป็นวิตกแล้วก็วิจารณต่ออีกบ่อยไหมไหนครุ่นคิดคิดหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นๆบ่อยมากไหมบ่อยไหมก็อันนี้ก็เป็นขันท่า แล้วก็เป็นสิ่งที่ที่น่าปรารถนาที่สุดสำหรับสัตว์ทั้งหลายนะเพราะว่าถ้าคิดถึงอารมณ์ที่น่าปรารถนารังเกียจไม่ตัวความคิดอันนั้น ท, ทั่วไปนะเวลาเราคิดถึงสิ่งที่เราชอบใจนะไม่ค่อยรังเกียจใช่ไหมเพลินซะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะยังมีโยมคนหนึ่งตอนนี้คุ้นเคยกันเขาชอบไอ้ต้นไม้เนี่ยมากชีวิตจิตใจเาเลยแหละเพราะเห็น ถ้าเขาซื้อต้นต้นในมานะต้นต้นไม้ต้นใดมาเนี่ยเวลาเขาเห็นต้นที่อื่นเนี่ยเขาจะชี้บอกนั่นนั่นต้นนั้น่ะต้นนั้นโอ้โหเนี่ยต้นนี้ราคาหลายตังค์แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ใหญ่มากเลยนะแต่ที่บ้านผมมันกาลังเล็กๆอยู่เขาจะปรารถนาต้นไม้ตัวนี้มากเขาจะคิดอยู่นั่นแหละเขาจะคุ้นคิดถึงถึงอันนี้มากกิจกรรมเขาเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับต้นไม้เป็นพิเศษเขามีความสุขของเข้ามากเลยแหละ แลก็จะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เนี่ยถ้าอารมณ์เสียๆอยู่นะพูดถึงต้นไม้ปั๊บก็ยิ้มได้เลยเลยเนี่ยนะมีความสุขขนาดนั้นเล น, น่นนะนนนใช่ถ้าถ้าสิ่งที่เขาชอบชอบใจนะสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยก็ครุ่นคิดทั้งเป็นอ่ะนะก็อาศัยวิตกกะถึงตึกถึงคล้าวคลอแจ คิดถึงเนี่ยนะจะคิดนานหรือไม่นานก็สังเกตที่วิจารนะแต่าการตรึกถึงก็เป็นตัวของที่ตกครุ่นคิดนานก็ที่วิจารก็ไล่มาก็เป็นโลภะก็เป็นตันหาใช่ไหมก็เป็นกรรมด้วยนะสัญญาก็เกิดเวทนาก็เกิดไล่มาเนี่ยตัวผัสสะตัวเดียวผัสสะตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาทั้งเป็นที่ตั้งแห่งเจตนาเป็นที่ตั้งแห่ง วิตกเป็นที่ตั้งแห่งวิจารเพราะฉะนั้นวิธีที่พองตัดว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะภาษาเกิดเพราะภาษะอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสามสามอย่างเลยเนี่ยนะมีภาษะเป็นเป็นแดนเกิดทีนี้ตัวรหัสของวัตตะเนี่ยดูได้จากอะไร ว่าเป็นสมุทัยศัตร์จริงๆก็ดูจากตัวตันหากับเจตนาเนี่ยตัวตันหากับตัวเตจเจตนาเนี่ยเจตนาเหมือนอะไรเหมือนพ่อตันหาเหมือนแม่ทีนี้จะรวยมากจะจนก็ดูที่วิตกถ้าสิ่งใดครุ่นคิดบ่อยนะกรรมนั้นมีกำลังแรงเรียกว่าอะไร ก็เป็นกรรมประเภทไหนอามาคิดอยู่นั่นแหละก็เป็น tech, อาจินนกรรมนั่นนะก็เป็นกลุ่มอาจินนกรรมเลยนะถ้าอะไรที่เอามาครุ่นคิดบ่อยคิดบ่อยคิดบ่อยก็เป็นผู้อาจินนกรรมทีนี้ผู้อาจินนกรรมบางอย่างเนี่ยวิตกมันก็แยกเป็นกุศลวิตกกับอกุศลวิตกบางพวกเนี่ยจเจริญจนได้ฌานวิตกบางเรื่องเนี่ยเขาตรึกจนได้ฌานนะวิจารณกับบางเรื่องก็ได้ฌาน ถ้าสีทั่วๆไปเขาแปลไปเป็นการคิดแบบกระสินแทนเนี่ยนะเขาก็จะได้ฌานนั้นวิตกวิจารเนี่ยบอกถึงระดับฌานแม้แต่เจตนาก็อยู่ในระดับฌานเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นวัตถุที่น่าน่าปรารถนามากทีนี้พวกนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปทั้งหกสิบเนี่ยนะทั้งห0สิบเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุของ ตันหาผู้ตถาพจน์ก็ถามว่าตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สิ่งนั้นนั่นแหละอะไรล่ะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกก็บอกว่าตาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตางนั้นถ้าจำธรรมะ60ได้นะแล้วก็เอามาสาธยายมาใคร่ครวญบ่อยๆก็จะจําแนก ขันห้าได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขันห้าก็ได้รับการกระจายตัวใช่ไหมไม่งั้นก็กระจุกเหลือแค่ขันห้ากระจุกไปกระจุกมาผมคําเดียวจบเลยสบายมากกว่าเราอะเราอะอยู่คําเดียวแต่ถ้าขยายไปก็คือขันห้าพอขยายไปละเอียดก็ได้หกสิบก็มากระจายตัวใช่ไหมที่เราพอใจที่สุดก็พอใจในสิ่งนี้ถ้าจะละก็ละที่นี่นะละที่นี่นะ อนะก็ห0ิเนี่ยคุณก็ไล่ดูนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็หแล้วใช่ไหมหกนั่นนะคูณ10คูณ10ได้เท่าไหร่60สิคูณคูณอะไรบ้างอันนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าหหเจ็ดดสิบ นถ้าไม่ใจรอยจนเกินไปคงวอังออกแล้วก็ง่ายๆนะคุณไปเปิดในหน้าสิบสองหน้าสิบสามนะให้เขาได้บุญบ้างเถอะเขาสาพิมพูสตรวจตาแฉะหมดกว่าจะได้ไ ต, ต, ไตัวปียรูปสาตรูปไม่ได้นะก็เอาจักคชกสูตรมามาเป็นหลักนะ ไอ้สามเหลี่ยมมันนั้นเนี่ยนะตั้งแต่ขวามือก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมซ้ายมือก็เป็นวัตถุที่เกิดใช่ไหมแล้วตัวล่างก็เป็นตัววิญญาณนะเนี่ยอย่างหกอย่างหกแล้วนะก็ไล่ลงมาเป็นผัสสะผัสสะก็อีกหกไล่ลงมาว่าเกิดผัสสะเกิดเป็นใจเวทนาก็เวทนาอีกหกตอนนี้นเวทนาเนี่ยนะมันพิเศษหน่อยก็ต้องมีผัสสะมีวิตกมีวิจารณเพราะพอไล่าจากเวทนามาก็มาตันหาอีกหกก็ครบพอดี ทีนี้ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้นะตอนแรกที่เราเรียนแบบนี้เนี่ยการกระจายตัวแบบนี้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยนะการกระจายตัวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นวัตถุแห่งวิปัสสนาเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเนี่ยนะอย่างถามพระราหุลเนี่ยนั่งไล่ราหุลจะขูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราเอา่อเรียวกว่าพื้นฐานเข้าใจเรื่องชาติชรามอรณะโศกะประิเทวะดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ดีเราซักซ้อมถามดูตามนี้นะถามอยู่หกสิบครั้งนะถามว่ากินเวลาไปเท่าไหรล่ละถ้าสมมติถ้าจะเจริญเอาเวลาก่อนนะกี่ชั่วโมงดีคุณชูศรีอ๋อยังไม่เคยทําเลยนะ ถามใครนะให้คุณบัรจูดีกว่าเผื่อพวกพวกเดียวกันบ้างนานนะนานคุณบัรจูว่านานอน น, นค่อยๆนึกแล้วก็ถามแบบนี้ด้วยนะถามแบบที่พระพุทธเจ้าถามพระราหุลเนี่ยนั่งไล่อะไเงี้ยทั้งหกสิบเรานี้ดูก็ถ้าใครฝึกคิดตีรณะปริญญาไม่เป็นตรึกอะไรไม่เป็นนะฝึกคิดอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมีเป็นร้อยสูตรอ่ะที่สอนให้คิดแบบนี้อนนะ น, นะมาคิดแต่ว่าไม่ใช่คิดถึงตาต่อเต่าสะอาไม่ใช่แบบนั้นตาเราจริงๆนั่นแหละก็ลองคิดดู น, นะถ้าคิดแล้วประมวลได้ทั้งหมดทั้ง60นะแล้วแล้วประมวลบอกว่า น, นะว่าตาหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโพติภพรวมอยู่คำเดียวว่ารูปรูปรูปรู ป, ปขันเวทนาทั้ง6เป็นเวทนาขันสัญญา6เป็น สัญญาขันผัสสะหกัสสะหเจตนาหตัณหาหวิตตกหกวิจา ร, หารญญาณหกเป็นสังขารขันวิญญาณหเป็นวิญญาณขันเพราะเหตุใดจึงเรียกว่าขันเพราะสิ่งนี้เป็นกองเพราะอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็น ภายนอกอยาประเอียดเลวประณีต้ใกล้ไกลทั้งหมดก็คือขันก็นั่งซ้อมถามไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงกันนะผมมาเรียนทีหลังเขาเลยมันฟังไม่รู้เรื่องใช่พื้านาไม่มีถ้าเราหมั่นซ้อมถามแบบนี้บ่อยๆนะก็ถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะก็สามารถเจริญได้แล้วก็ถ้าคูณส1บด้วยก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างคุณต้องใช้นี่เรียน คือพูดพูดถึงว่าอารมณ์6สิมนี่นะฮะถ้าเราจะนํามานํามาเป็นเป็นคําถามคําตอบของเราเองนี่นะเช่นตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีเนี่ยลองตั้งคําถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทําให้เราเข้าไปมีอุปาทานได้ยังไงในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าถามแล้วเราตอบคําถามนี้ได้นะแล้วก็จะเห็ น, นกลไกของใับ คือถ้ า, ถาเราเอถ้า ไ, <ป S 1> <ล>ไม่ได้อะไรมากมายก่อนเนี่ยนะเบื้องแรกเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยที่เอาไปสาธยายแล้วไปใคร่ครวนตึกดูก่อนให้ให้มันให้จิตเนี่ยเป็นไปกับสิ่งนี้ก่อนถ้าถ้าเราอะไรถ้าก็เป็นคนใหม่เลยนะมาถามเหตุผลซอกแทกมากมันไม่ได้ไปไหนแล้วก็พานเบื่อเลยเคยมาสาธยายแบบนี้ให้เหมือนสวดมนต์ก่อนให้จิตมันเป็นไปได้ยาวให้มันคิดเรื่องอย่างนี้ให้ยาวๆก่อน มันเหมือนกับเป็นการอะไรวอมอ่ะนะเป็นการวอมอัพให้ให้จิตมันซ่องเสพคิดเรื่องนี้แล้วนานๆเดี๋ยวไม่เกินสิบปีมันก็จะเริ่มแตกฉานในสิ่งนี้จนได้เลยขอให้มาคิดเรื่องนี้เถอะเนี่ยนะก็มาคิดสาวมันอย่างเช่นตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอนหลังค่อยมารู้ว่าไม่เที่ยงยังไงแค่ไหนยังไงก็ได้ให้ให้มันเสพคําเหล่านี้เอาไว้ก่อนให้ซ่องเสพคําเหล่านี้ก่อนแทนที่เราจะไปคิดถึง เรื่องอื่นที่เราไม่ควรคิดนนะก็คิดตามคำสอนแบบนี้ทีนี้ถ้านานๆเข้าเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มเป็นที่มาตาคืออะไรใช่หมห้าสิบสีก็จะตามมาสีคืออะไรสีคือสีที่เกิดจากสมุทฐานสีจะเข้ามาจากครูวิ ญ, ญญาณคืออะไรคืออาศัยตาเป็นวัตถุอาศัยสีเป็นอารมณ์ม่แสงสว่างเป็นประตู จำเป็นปัจจัยนะนะอาวัชนะเป็นอนันตระปัจจัยแล้วภาษาจักขุวิญญาสามอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ภาษายังไงตาเป็นวัตถุของภาษะสีเป็นอารมณ์ของภาษาจักขุวิญญาณเป็นสัมปยุตแก่ภาษาแล้วภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างไรนะแล้วก็เรียนธรรมะอื่นๆก็จะมามาจะมาได้ใช้ได้ทั้งหมดเลย เราถ้าเราไปสอบสวนไปสาทยายอย่างนี้บ่อยๆใคร่ครวนบ่อยๆว่าสิ่งที่เราจะละก็ละในที่นี่แหละถ้าถ้าครั้งก่อนๆถ้ายังจำได้ว่าที่สุดแห่งการศึกษาของเราคือการแทงตลอดว่าจากโคจากโคสมูไทยจากขูนิโรจากขคนิโรทักษามินีปฏิปทาถ้าเอาห0สิบมาเราจะรู้เรื่องอริยสัจอย่างน้อยหสในทันทีเข้าใจเรื่อง ทุกขสัตว์กิในเข้าใจสมุทัยสัตว์60สในเข้าใจนิโรธสัจจะ60สในเข้าใจมักธ์หสในนะก็ก็มีนัยยะอื่นๆอีกแล้วก็สัมพันธ์ว่ายกตัวอย่างเช่นใครที่รอบรู้เรื่องนี้ไปเท่าไหร่นะรู้ได้วัดผลได้เลยเช่นว่าถ้าเจริญอย่างนี้จนโสดาปฏิมัตินะละอะไรบ้างในพวกนี้ ละความสําคัญสิ่งเหล่านี้โดยส ก, กายะเด็ดขาดถ้าเจริญจนได้โสดาปติมักนะละความสงสัยในพวกนี้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะไม่ปฏิบัติผิดในพวกนี้เลยอันนี้ถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นจะละส ก, กายะทิฏวิจิกิจชาโดยเด็ดขาดในอารมณ์เหล่านี้พระโสดาบันจะไม่สงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยทีนี้ถ้าเจริญมากๆขึ้น ภาปฏิบัติจนเป็นพระอนาคามีตัดฉันทะราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโะพธิภพได้เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะของท่านอีกเลยเนะ ถ, ถ้าเจริญจนเป็นพระอนาคามีถ้าเจริญเป็นพระอรหันต์ท่านละอวิชชาในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดท่านละมานะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท่านจะไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้มามีมานะเลยแล้วก็ไม่ปรารถนาพบใหม่คือ คือสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปอนะก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอนุสัยเกี่ยวกับเรื่องการละกิเลสเป็นต้นนะซึ่งโครงสร้างอันนี้เนี่ย เ, เมื่อก่อนนี่นึกไม่ออกว่ามีประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้าเอาไปสาทยายไปตรึกบ่อยๆแล้วก็ดูพระสูตรมากๆมาประกอบจะรู้ว่าโครงสร้างอันนี้ใช้ทั้งปิดกสามเนี่ยนะมีความสำคัญทั้งปิดกสาหมดเลยเนี่ยนะเอาใช้ได้หมดเลยก็จริงเหล่านี้นครับที่จะ พาไปทุกขติภูมิยุนรกก็ก็สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแต่เพราะโสดาบันมืาก็ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่พาไปสู่ทุกขติภูมิอันนะถ้าเราถ้าจะเกิดพบใหม่ใช่ไหมคตินิมิตคืออะไรคือสีกรร ม, มนิมิตคืออะไรก็สีสีเสียงกลิ่นรสโพภทะภาเนี่ยเป็นกรร ม, มนิมิตอย่างดีเอ่อขออะไรเอ่อกรร ม, มนิมิตอย่างดีเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้เราทํากรร ม, มาบาลเลย เ น, นี่เพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์มากมาอารมณ์ของพบใหม่ก็ดูได้จากพวกนี้ น, นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ า, ถารอบรู้ถึงผู้ที่ไข้ครวนลักษณะนี้ละเอียดนะจะเห็นปฏิจจสมุปบาททันทีก็อย่างที่ที่กล่าวนะพวกนี้คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นปฏิจจสมุปบาทในทวาร6อย่างเช่นในโลกานิโรธสูตรใช่ไหม โลกันนโรกแท้สุดเพราะอย่างพระองค์บอกว่าพระองค์จะแสดงความเกิดขึ้นของโลกหรืออีกที่หนึ่งก็บอกจะแสดงความเกิดขึ้นของทุกขทุกจะเกิดเกิดยังไงก็อาศัยตากับสีเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาก็สัญญา ส, ญสัญญาก็เท่ากับพูดแล้วถ้าพูดเวทนาสัญญาเท่ากับพูดแล้วเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา ปัญหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยก็เกิดเจตนาคือกรรมกรรมเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบก็คือกรรมนั่นแหละพบเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดตานั่ น, นเกิดตาหรือเกิดชาติชรามรณะโสกาะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ ถ้าเอาภรษะมาเป็นเครื่องวัดนะทั้งชาตินะเราสะสมปัจจัยให้มีตามากี่พันล้านครั้งละหมอดูมากี่รูปแล้วะ <laughs> ก็สะสมปัจจัยให้มีตาไว้เท่านั้นแหละแม่ครูเอาไงดีคะนี้เกิดมาเจ็ดสิบปีดูมากี่รูปแล้วอะ่ะก็คิดดูว่ะภรษะแต่ละครั้งนะ่ะอาหารของให้มีตาพบใหม่ตลอดเลยเนี่ย นี่ถ้าสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือในสิ่งเหล่านี้นี่แหละจึงจะดับได้อย่างเด็ดขาดคิดยังไงจึงจะละตัณหาในตาได้คิดยังไงจึงจะละตัณหาในสีในจักุวิญญาณในภาษาเวทนาในเจตนาในตัณหาวิตกวิจารได้ท่านนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะพัะอริยะทั้งหลายคือผู้ที่ท่านทาปริญญาใน ในสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าโสดาบันเนี่ยนะคือทำปริญญาจนไม่มีสักกายะทิฐิกับวิจิกิจชาในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นพระสก่าถ้าเป็นพระอนาคามีทำปริญญาจนไม่มีการมราคะกับปฏิฆะในสิ่งนี้ถ้าเป็นพระ่าหานก็ทำปริญญาจนไม่มีมานะไม่มีรูปราคะอารูปราคาภวะราคะและอวิชชาในสิ่งเหล่านี้อีกผู้นั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าสามารถทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระ้าหันรประเภทไม่ต้องมีตาทิพหูทิพอะไรกับเขาก็ได้ระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้พระ้าหันปัญญาวิมุติทั้งหลายสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขาไปถามว่าท่านปฏิญาณว่าเป็นพระ้าหันเนี่ยท่านระลึกชาติได้ไหมไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เห็นท่านมีตาทิพไหมไม่มีท่านแสดงฤทธิ์ได้ไหมไม่ได้ท่านเนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้ได้ไหมไม่ได้ อ, อแล้วทำไมท่านปฏิญาณก่าผมเป็นผ้ารหารันน่ะนะทีนี้ผ้ารหันเนี่ยคือถึงจะไม่มีคุณอย่างอื่นท่านก็เป็นผ้ารหันแต่เป็นผ้ารหันประเภทปัญญาวิมุตหลุดพ้นด้วยปัญญาเพราะท่านไม่มีความยึดถือในสิ่งนี้เลยอท่านไม่ได้ยึดว่าไม่ได้ยึดด้วยตัณหากับทิฏฐิเลยแต่ว่าเกิดจากการทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ของท่านอย่างอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยม เรียกว่าปียรูปสาตรูปเิยปรูปสาธรูปครับเจริยุทธ์ปียรูปสาตรูปอ่าสภาวะที่น่าปรารถนาน่าพอใจหกสิบคุยถึงนิพพานแล้วมาถามมันมีอะไรบ้างเออโทษของวัตตะจริงๆผมมาเรียนทีหลังแล้วทีหลังอะไรขาดบ้างมาบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขาดอีกแล้วเห็นแก่ปากแก่ท้อง เก็ถ้าเอามาใคร่ควรวญมาพิจารณาบ่อยๆนะจะรู้ว่าสิ่งเดียวเนี่ยนะอธิบายได้ทั้งปิดกสเนี่ยนะอธิบายได้เลยนะถ้าถ้าใครเรียนธรรมสังคีณีมานะทั้งสการนี้เอามาสงเคราะห์ได้หมดเรียนวิพังสิบแมาเนี่ยนะคำพีวิพังทั้ง18วิพังก็คือสิ่งเหล่านี้ขันธาตุอายตนาอินทรีย์ปฏิจสมุมบาทศจักก็คือสิ่งเหล่านี้ อ๋อ น, นะพวกนี้ก็เป็นอารมณ์ของสติประธานสัมมัประธานอิทิบาทอินทรีย์โพชงหรือถ้ารวมเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมก็เป็นวัตถุแห่งอปมัญญาวิพังเป็นต้น น, นะกิเลส ท, ทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ากิเลสเจริญสิลเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้และรักษาศีลก็เป็นสิกขาบทวิพังเพราะฉะนั้นก็จะเข้าเป็นคัมภีวิพังถ้ามาถามว่าอ๋อพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติอ๋อขออภัย มาเรียกสิ่งเหล่านี้กล่าวตามธาตุกระถาเป็นต้นนะนะธาตุธาตุเป็นต้นนะธาตุกระถาไม่ใช่คัมภีธาตุธาตุขันอายตนะก็พวกนี้เป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเนี่ยนะก็เป็นคัมภี์ธาตุกระถาสัมปยุทธวิปยุทธกว่าไปเป็นที่รวมแห่งบุคคลถ้าคนไม่เคยทําปริญญาเลยเรียกปุตุชนอย่างเงี้ยนะคนที่ทําปริญญาได้ระดับหนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทําปริญญาก็เป็นบุคคลต่างๆ ทีนี้การเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ก็จะตามด้วยคัมภีกระถาวัตถุ ก, ก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องขันถามตอบถามตอบทั้งสิบในอ่ะนะก็เป็นยมะกะก็พวกนี้ว่าแต่ละอย่างมันเกิดจากปัจจัยอะไรกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอะไรเป็นปัจจัยอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็เป็นตำพีปทานไปนนะ ก, ก็อภิธรรมเจ็ดคำพีก็ได้หรือจะจ ะ, จะสงเคราะห์โดยพระสูตรต่างๆก็ ก็ได้นะสงเคราะห์ตั้งแต่พรหมชาลสูตรไล่มาเล ย, เลยก็ได้ทั้งหมดก็ก <c oughs> ็คิดตามอธิตะปริยสูตรก็ได้นะคิดตามโลกันนี่โรท่สูตรก็ได้ว่าตรงๆเลยนะขันทวารวัช ก, กับสลายตนะวัชมาใช้ได้ทุกสูตรเลยเอาไปใช้ได้เรียกว่าตลอดเลยนะคือถ้ามีใจที่เรียกว่าเอาไปตรึกเอาไปเพ่งนะ จึงไม่แปลกเลยว่าที่เรียกว่าทําไมเขาสรงพระไตรปิฎกสมัยพุทธกาลเนี่ยนะไม่ได้พระบางรูปเนี่ยเรียกว่าบรรลุภาคภันทร์พ ร, รพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่แล้วได้ปิฎกสามในตัวเนี่ยมาได้ยังไงคือท่านไม่ไม่ได้แปลกไม่ได้สงสัยอะไรเลยพอฟังอะไรปั๊บก็ขยายออกเลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะพื้นฐานการการพิจารณาการใคร่ครวญของท่านมีมากานะแต่ทีนี้ถ้าคนที่ไม่ใคร่ครวญ น, น ะ, ะมันก็ ท่านก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างใน <c oughs> ในโยคะสูตรนะท่านให้ท่านในความสําคัญตัวภาษานี้มากเลย <c oughs> ท่านบอกว่าถ้าผู้ใดไม่รู้ลักษณะของภาษาการเกิดการดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภัษายาตนาหก <c oughs> ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนโง่เหมือนกันเถอะนะ <c oughs> ถ้าผู้ใดไม่รู้ชื่อว่านี่คืออวิชายาโยคะแสดงว่า ไม่มีแต่อวิชาในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากเลยนะ่านมันมีท่านในพรมชาลสูตรนะใครดูพรมชาลสูตรมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์งรู้เหตุเกิดความดับอัสะท่าอาทีนวาวะนิสรณะของเวทนาเนี่ยนะแล้วก็ตอนท้ายของสูตรพระองค์งก็แสดงเหตุเกิดความดับอัสะท่าอาทีนวาวะนิสรณะของผัสสารยตนาหก แล้วตอนท้ายสุดก็บอกเทวดาและมนุษย์เนี่ยจะเห็นตถาคตชั่วยังมีชีวิตอยู่เท่านั้ น, นหลังจากดับขันปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นแล้วนี่นะพันาเอาไปเจริญเอาไปตรึกนะแล้วก็มูลปริยสูตรก็อยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเป็นโครงสร้างเรียกว่าใช้ได้ทั้งปิดกสามนในในสิ่งเหล่านี้นะพนธรรมจักรกับวัรณสูตรก็เน้นแสดง สิ่งเหล่านี้ด้วยเพรานจะเห็นทั้งมัชชีมาปฏิปทาเห็นเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าต้องไปเจริญจริงๆนะแล้วจะร้อยจะสัมพันธ์กันแต่อย่าลืมว่าสิ่งนี้คือชีวิตของเรานะก็อย่างว่านะวิธีที่จะสามารถตรึกเพื่อที่จะให้ซ่องเสพคิดในสิ่งเหล่านี้ได้นานๆนะนะคิดในแง่จูลาราหูโลวาทสูตรก็ได้ที่ถามว่าแต่ถามแต่ละอย่างเลยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี้ยจักรุเที่ยงหรือไม่เที่ยง หรือจะคิดแบบบทว่าสัมมาสัมพุทโธในการเจริญพุทธานุสติก็ได้ว่าจากโขจากโขสมุทัยจากโขเนโรจากโขเนโรถาคา ม, ม่มีปฏิปทาก็ไล่ไปตั้งหกสิบเนี่ยนะคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเราทําอะไรทีเดียวแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยอะ่ะมีไหมไม่มีพันก็เอาบ่อยเข้าว่านะแต่ทีนี้ว่าบ่อยเข้าว่านี่มันอาทิตย์ละครั้งนานไปมัง้ง หมดเวลาแล้วคุณมมมีไม่ต้อง